การปิบัติประจฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอริยสัจก็ถือว่าจบมหาสิบฐานสูตรสําำหรับอริยสัจจริงๆขอทวนต้นมีสี่อย่างคือหนึ่งทุกสองสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกสามนิโรธความดับทุก มักปฏิบาทาซึ้นความดับทุกข์ <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงตัดเหตุกับผลทุกเกิดขึ้นเพราะสมุทยัยเหตุทีเ่เกิดทุกข์เป็นเหตุทุกข์ดับไปที่โลทะเพราะมักปฏิบทาิสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดเรื่องนิโรธกับมักแต่ขอทวนต้นนิดหน่อยวันนี้จะไม่ย้ำสังโยชน์สาม ในตอนต้นข้อต้นทรเลว่าทุกสิ่งใดก็ตามที่เราต้องทนและก็ทนได้ยากจนถูกทรมานสิไม่ใช่ ค, ความทุกข์สรุปสั้นๆ น, นะเหตุที่ให้เราเกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาได้ความทะยานอยากของที่ยังไม่มีอยากให้มีขึ้นที่มีแล้วอยากให้ทรงตัว มันจะสลายตัวไม่ต้องการให้พังทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ของที่ยังไม่มีต้องการให้มีขึ้นก็ต้องตะเกียกตะกายแสวงหามามีความเหนื่อยยากเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ต้องการให้เสื่อมไม่ต้องการให้เก่าไม่ต้องการให้พังกฎธรรมดาของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้ก็มีความเสี่ยงเป็นท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดในเมื่อเราไ้ฝืนแบบนั้นมันต้องเก่าเป็นของธรรมดามันต้องเสี่ยงของธรรมดาในเมื่อเราไม่ต้อง ก, การให้เก่าเราไม่ต้องการให้เสี่ยงมันเก่าขึ้นมามันเสี่ยงมาแล้วก็มีความทุกข์ในที่สุดมันจะพังคนจะตายของจะพังเราไม่อยากให้ตายไม่อยากให้พังหาทางป้องกัน ก็ไม่สามารถป้องกันได้มันก็มีความทุกข์ดัง้ความทุกข์ของคนเราทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มาจากตัณหาสามด้การหนึ่งการมาตัณหาอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาสองภาวะตัณหาสิ่งที่มีแล้วไม่ต้องการให้เสื่อมไปสามบิภะวะตัณหามาถึงคราวพังไม่ต้องการให้มันพังซึ่งความเป็นจริงเป็นทุกข์ เรื่ทุกทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ารงตรัสว่าจะให้มันดับได้เพราะอะไรมีโลธาประดับท่านพูดถึงตัวดับก่อนเหตุตัวดับยังไม่พูดท่านกล่าวว่าถ้าต้องการจะดับให้ดับที่รูปดับที่เสียงดับที่กลิ่นดับที่รสเป็นต้นกลอวความไปดับภายนอกจริงๆแล้วดับที่ใจตัวเดียวก็พอถ้าจิตดับ ทำให้จิตดับไม่ใช่จิตตายหมายความจิตหมดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดแล้วการดับที่พระเจ้าทรงกล่าวก็ไม่ขอบัญชาพนาเพราะท่านพนาไว้มากท่านบอกถ้าจะดับความทุกข์ให้ดับที่รูปก่อนดับที่รูปได้แล้วก็ดับที่เสียงแล้วก็ดับที่กลิ่นต่อมาท่านบอกดับภายในก็ดับที่รูปตาตาเห็นจงใหญ่ใหญ่ได้ อย่างนี้เพีงเพียงว่าแนะนําัแค่เผ่าเก่าถ้าจริงๆแล้วต้องดับที่ใจพี่พูดถึงวิธีการดับนะจะไม่พัฒนาในการดับที่ใจบรรดาแต่พระตุริสัตว์ต้องมีวิธีการดับท่านบอกว่ามรรคขปิวัาคือมรรคแปดอัฐถังเยื่อมรรคมรรคแปดรายการมีสัมมาทิฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายทางแปดราการนี้เป็นตัวปฏิบัติจะถึงความดับ คือดับกิเลสดับตัณหาแต่มรรคแปรราการนี้ถ้าอย่พูดกันไปจริงๆเรียงตามบรรดบบรรดาญาโยามพจนริสัยเขาจายากถ้ากล่าวโดยบบย่อมรรคแปรรกายก็คือศิลสมาธิปัญญารวมกี่ข้อเขอมาเป็นศิลกี่ข้อเป็นสมาธิกี่ข้อเขามาเป็นปัญญ า, าไม่ต้องรวมให้ฟังให้จาว่ามรรคแปรคือศินสมาธิปัญญา เอาศินสมาธิปัญญาเข้ามาดับตัณหาเพราะตัณหาเปเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าดับตัณหาได้หมดทุกข์ก็หมดถ้าดับตัณหาไม่ได้หมดทุกข์ก็ไม่หมดดับตัณหาได้เด็กเม็กน้อยปรมาณไม้ยวาไม่ทุกข์เบาขึ้นหน่อยดับตัณหาได้มากประมาณครึ่งหนึ่งก็เบาไปครึ่งหนึ่งถ้าดับไดหมดก็เบาทั้งหมดตอนนี้มีทีดับปัรดาเต็พุทธบริษัทเราจะแอบไปดับตัณหาโดยตรง ก็ถือว่าดับไม่เป็นถ้าดับแบบนั้นจะไม่มีผลคิดว่าเราจะดับความอยากการอยากได้ของที่ไม่มีต้องการให้มีขึ้นจะไม่มีในเราอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะคนทุกคนเกิดมามือเปล่าตัวเปล่าเสื้อผ้าไม่มีติดตัวมาของใช้ทุกอย่างไม่มีติดตัวมาถ้าเราจะไม่อยากได้ของใหม่เข้ามามันก็ไม่มีใช้มันต้องอยากได้ คนที่อยากได้ไม่ใช่คนชั่วคือเป็นกฎธรรมดาของคนมี่ความอยากได้เข้ามาและตัวอยากอีกตัวหนึ่งได้มาแล้วไม่ต้องกระเพ้าไม่ต้องการให้เก่าของไม่ต้องการให้เก่าคนไม่ต้องการให้แก่สัตว์ไม่ต้องการให้แก่นี่เป็นความอยากผิดถ้าจะแอบเข้าไปตัดจริงๆว่าเราไม่ต้องการมีลมอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอันหนัก ในต่อมาขัา้นสุดท้ายของเมื่อเก่าที่สุดมันต้องพังคนมาถึงที่สุดกอายุก็ต้องตายสัตว์มาถึงที่สุดกอายุก็ต้องตายเราไม่อยากให้ตายไม่อยากให้พังยับยังจะดับอารมณ์นี้เนี่ยฝืนกฎธรรดาก็ดับไม่ได้อีกิธีดับจริงๆต้องค่อยๆดับดับทีเล็กทีน้อยไปก่อนอันดับแรก ดับจิตก็ดับอารมณ์ของเราในะได้การเข้าไม่ถึงไตรสนาคมอันดับแรกจริ ง, รงต้ก็เข้าถึงไตรสนาคมก่อนคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ <c oughs> ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีมีความดีพอที่จะ ย, ยอมรับนับถือไหม ถ้ามีความดีพอเราก็ยอมรับนับถือเห็นแล้วด้วยปัญญาต่อไปก็ต้องใช้อารมณ์เติมอีกสองอารมณ์เพื่อให้จิตทรงศีลตอนนี้จะดับความทุกข์ได้ บ, บ้างพอทุกคนอารมณ์มีสองอย่างก็คือเมตตากับกรมมนาทั้งสองอย่างต้องทำจิตให้ทรงในเมตตาคือความรักกุฏาคือความสงสาร คำว่ารักมันต้องรักด้วยความปราณีไม่ใช่รักในด้นนานของกรรมคุณคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้ถือว่าเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราจะไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเท้งหมดในโลกถือว่าคนและสัตว์ทั้งหมดรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราต้องการความสุขชั้นใดเขาต้องการความสุขชั้นนั้น เราไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดเราเขาไม่ต้องการความทุกข์ชั้นนั้นเราก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาสร้างความเป็นมิตรจิตเรื่มเป็นสุขคนเมื่อมีมิตรมากก็สุขมากถ้ามีศัตรูมากก็ทุกมากาถ้าเรารักเขามากมีคนเป็นที่รักของเรามากเราก็มีความสุขมากมีคนรักเรามากเราก็มีความสุขมากฉะนั้นเมตตา เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้คลายความทุกข์เบื้องต้นที่มีความรุนแรงซ้อมกรุณาความสงสารความสงสารนี้อาจจะเป็นเรื่องในความรักคนที่เราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยรักแต่ว่าเห็นเขามีทุกข์เรามีความสงสารหวังจะเกื้อกูลให้มีความสุขอารมณ์สองเหตุการในบรรดาแต่พุทธวิษัททธมีในท่าน จิตมีความรักจิตมีความทางกสารถ้ า, าอารมณ์สมมติการนี้ส่งตัวศิลงก็ส่งตัวในจิตของท่านวันหนึ่งปาณาติบาตจะไม่มีในจิตของท่า น, า ก, านาการคิดแก้ฆ่าสัตว์จะทำ้ายร่างกายสัตว์สองอาทนาทายก็จะไม่มีในอารมณ์ของท่าน3การมรเมสุมชัยจัยก็จะไม่มีในอารมณ์ของท่านขอบอกขอหมดจิไปเลยนะ แล้วก็สี่การดื่มธารเมรัยก็จะไม่มีในหลงท่ท่านนี่ด้านกายด้านวาจาการพูดปดก็จะไม่มีการพูดคำหยาบก็จะไม่มีเรารักเ ร, รสาสนก็ไมได้แน่แล้วก็การยโสเสียดยุยงส่งเสริมนนหนทางเขาแตกราวกันก็จะไม่มีการพูดวาจาไรประโยชน์ก็จะไม่มี ต่อไปด้านจิตใจถ้ามีความรักมีความสงสารไม่จาใจการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นก็ไม่มีในมีแต่รักมีสงสารก็ไม่ประทุษรแล้วคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดก็ไม่มีมีอารมณ์เยือกเย็นมีความเห็นว่าพระพเจ้าทรงสอนเป็นเหตุให้มีความสุขยอมรับนับถือะธรรมคําสั่งสอนขอท่านถ้าบรรดาท่านพุทธเบสกัดเอาจิตเข้าถึงไตรสนาคง คนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทรงศินห้ากรรมบทสิทครบถ้วนมีเ ม, มตตากุณาต่อสมัยการทรงตัวอย่างนี้อารมณ์เยื่อเกี่ยนที่เรียกว่าความทุกข์ในอริยสัจจะเบาลงมากแต่ยังไม่หมดต่อไปก็ยังมีตัวหนึ่งเรารักทุกคนได้เราสงสารทุกคนได้แต่เราก็ยังหวดาดหวัน่นความตายยังมีการสะดุ้งมากอยู่ เพื่อไม่ให้สะดุ้งในความตายหรือสะดุ้งน้อยๆไม่ตกใจมากก็ต้องเจริญอนามรณานุติกรรมฐานใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีใส่ก็ดีที่เกิดในโลกนี้ทั้งหมดมีใครบ้างที่จะไม่ตายคนที่เกิดก่อนเราลุ่นปู่ย่าตายายของเราเกิดก็ไม่เหลือแล้วท่านตาย รุ่นบิดามันดารุ่นที่พวกเราตายตายไปมากแล้วรุ่นเราเองก็ตายไปเยอะที น, นี้คนรุ่นหลังที่เกิดมาใหม่ที่หลังเราก็ยังตายก่อนเราก็มีรวมความมันในโลกนี้คนที่เกิดมาทั้งหมดที่ไม่ตายแต่มันมีต้องตายหมดทุกคนรวมความว่าเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นก็ต้องมานั่งนึกถึงตัวเราเราเองก็ต้องตายเหมือนกัน ต่อไปก็ใช้ปัญญาเพราะใส่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสันติว่าคนเราเกิดเกิดมาถ้าตายไม่มีสาภาพไม่ศูนย์คติมีหลายประการถ้าแบ่งย่อยๆก็มีสองปการคือสุขคติกับทุคติจะนั้นคนที่มีจิตเศร้าหมองมีความเล่าร้อนในจิตมีความโกรธวานในจิตมากจิตไม่สุขตายและไปสู่ทุกคติมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตชื่นบานตายและไปสู่สุขติวิสวรรค์เป็นต้นเราก็หวนึกถึงตัวเราว่าอารมณ์ของเราที่มีความเคารพต่อพทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสมก็ดีทำให้จิตรเราเยียกเยินเรามีที่พึ่งใจเราเย็นกว่าคนที่ไม่เคารพในพระใจสินนาคมเวลานี้อารมณ์ของเรามากพุทธิเมตตาความรักเราไม่ต้องการคิดเป็นศัตรูกับใคร ถา้าการไม่จะทรงจินนี้ก็มีโกรธนะบอกไว้ก่อนนะก็ยังมีแต่ความโกรธไม่รุนแรงมันหายเร็วเรามีความรักหวังความเป็นมิตรกับคนในสัตว์ทั้งโลกเรามีกลุล น, นาวังความสงสารคนสัตว์โลกต้องการนก็มีความสุขเพราะนั้นอารมณ์ของเราจึงทรงสินห้ากระหมดสิบครบถ้วน ในเมื่อทรงคุณธรรมทุกอย่างนี้ครบถ้วนท่านเรียกว่าพระโสดาบัน น, นี่สิกขาคามีอย่างนี้เป็นการตัวตัดปัญหาอย่างเบาๆลงได้ปัญหาเบาๆคิดว่าเกิดแล้วไม่ตายตอนนี้เราก็มีความคิดต่างของยิ่งเกิดแล้วต้องตายเราก็มีการเตรียมพร้อมถ้าตายเราก็ไปสูตรสุขติ ไปยึดพระพุทธเจ้าประทับพระอาาริยสงฆ์ที่ฝึงมีสิงห้ากัมมบสิบเป็นที่พึงอย่างนี้จิตใจเราก็เบาคิดว่าถ้าอยากตายเมื่อไรความทุกข์ก็ น, น้อยถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาแล้วนางฟ้าด้วยผมถ้าร่างจิตใจไ ม, ม่ยมร่างกายเราก็ปณิธานทุกเบาลงต่อไปก็ขยับตักสัญญาณสามได้แล้วนะ ที่วเอาศีล ส, สมาธิปัญญากรรมาตัดมีธีตัดก็คือว่ามีศีลคือมีเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าเมตตากรุณามีทั้งสองอย่างส่งตัวสิลและปรากฏในเมื่อศีลปรากฏแล้วสมาธิก็ท่งตัวคําว่าสมาธิแปลวความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจจริงคิดว่าจะรักนับถือพระพุทธเจ้านับถือวัฒน์นับถือพระอริยสงฆ์นี่เป็ตัวสมาธิ เราตั้งใจไปรักษาสินนิกรรมหมดสิ้ น, นค็โทษอันนี้เป็นตัวสมาธิอันนี้มาตัวปรรัญญาตัวปัญญาก็เข้าใจตามความป็นจริงว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาทั้งหมดที่มันต้องตายไม่มีใครเหลือเราเองก็ต้องตายไปด้วยกันก่อนที่จะตายเราก็มีปัญญา ย, ยอมรับความจริงว่าความตายต้องมีกมันแน่แต่ว่าเราจะไม่ลงอบายภูมิตัวนี้ใช่ปรรัญญา เ้าพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าประธรรมแล้วก็อะไรสง์ตัวนี้เป็นตัวปัญญาเข้าใจท่านดีแล้วก็ยอมรับนับถือเอาวเป็นมิพึงจิตเป็นสุขถ้าต่อมาพิจารณาสินห้ากรรมสิทธ์เราก็ชอบใจตัวนี้เป็นตัวปัญญารักษาสินห้าเหล่กากเอากรรมบสิทครบทุนได้กรงฟ้าเรามีทั้งสินทั้งสมาธิทั้งปัญญาตัดแบบอ่อนๆอย่างนี้สามารถตัดชนะได้แน่ถ้าไปใต่โคงคามให้หมด สนชนะไม่ได้อันนี้ขั้นต้นนะพอตัดสังยอดสาข้อหนึ่งสกายยติที่มีความรู้สึกว่าร่างกายต้องตายสองวิธีกินเชาไม่สงสัยในความมีพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือท่านสามศิลปตปราบรา ม, มากไม่รูรคามสินยอมรับนับถือสินั้นก็หมดสิทธิครบถ้วนปฏิบัติได้ อย่างนี้ที่ว่าตัดสโยญาณสามเรื่เป็นคุณสมบัติเข้ามาโสดาบันในสกิทาคามีได้ทีเอ่ำเอาเอ า, เอาเรื่องเอาสินสมาัิปัญญาเข้ามาตัดต่อไปก็ใช้สินสมาัติปัญญาตัดให้สูงไปกว่านั้นตัดเป็นพระอนาคามีแย็นไหมตอนตัดเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีทรงคุณสมบัติอีกสองอย่าง เจ้าโสดาบันสุธาคามีนัหนึ่งตัดสกายยะทิฏฐิที่มีความหลงไหลในร่างกายว่ามันจะไม่ตายที่จีกิดชาสงสัยในความดีพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงศิรพตปรามาสไม่รักษาสิลจริงจังท่านตัดได้แล้วยอมรับความตายยอมรับตัถือพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงศ์รักษาสิ่งม่สุขธิ์จะตัดสัยญาสาไม่ได้อนาคามีตัดต่ออีกส คือหนกามาชันพะและสองปฏิฆะกามาชันพะนี่น็หมายความว่าตัดการมคุณความคข่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทั้งหมดแล้วตัดอารมณ์กระทบใจที่เราไม่พอใจที่เรียกว่าความโกรธแต่ตอนที่เป็นสกิธาคา ม, มีเนี่ยความโกรธมันจะไม่เหลือแล้วนะ ตอนเป็นพระโสดาบันยังมีความโกรธอยู่แต่ความโกรธไม่รุนแรงพระโสดาบันมีสามขั้นสัตากตุงโกลังโกละเอกวิชีถ้าตอนสัตากะตุงยังแรงนิดหน่อยแต่ไม่จองล้างจองฝ่ายไข่ถ้าถึงโกลังโกละกระทบเบามากเขาด่าแรงแต่กระทบเบาดีไม่ดีเขาด่ามาสองสามคำยังไม่รู้สึกตัวถ้าเอกวิชีเขาด่าวันนี้ห้าวันเขรู้สึกเขาดา่า ไปมาเป็นชาติเอกพิชีกรมสิธทธาคารมีคล้ายคึงกันเขาด่าวันนี้ห้าวันยังไม่แน่จะรู้เ้าดา่ามันดา่าจิตมันเป็นสุขเฉยๆต่อคําด่าของคนแทนี่ตัวจะมีความสงสารมีกุณามากมีเมตตามากดังนั้นตอนนี้ผ่านส่วนพระโสดาบันสิธทธาคามีไปแล้วความรักในระหว่างเพศก็ดีเขาพูดใจหยอกกรรมคุณคือความรักระหว่างเพศ ตรงๆเฟปวัติค่าอารมณ์ไม่ชอบใจจนมันเหลือน้อยเต็มทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสี่ธาคามีเมื่อเกือบจะไม่มีความรู้สึกทางเพศและเกือบจะไม่มีความรู้สึกทางความกโกรธความทุกทุกทางมันยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือน้อยเต็มทีเพรานั้นว่าสักเดือนสงเดือนอารมณ์จะโผ่มา น, นิดหนึ่งแล้วก็ตัดหายไป การยึดเข้าถึงพระอนาคามีตอนนี้จะเป็นของไม่ยากการที่เขาตัดในกามฉันทะคือความควา ม, ความพอใจในกามารมณมีรูปสวยเป็นต้น <c oughs> เรื่องศีลแล้วไม่ต้องระวังเพราะทรงตัวมาได้แล้วตั้งแต่ประโสูดาบันและเรื่องสมาธิก็ไม่ต้องระวังเพราะทรงตัวได้แล้วตั้งแต่ประสดาบันตอนตอนต้นนะและเรื่องของปัญญายก็ทรงตัวได้แล้วในตอนต้น ตอนนี้ก็มาบุกกันในเรื่องกามาฉันท์นามันเหลือน้อยเพียงผีแล้วก็จับอารมณ์สมาธิในในขันห้าพื้นกายยังตามติตร่างกายตัวก้าสุภกรรมฐานจับร่างกายของเราจิตนึกถึงร่างกายของเราเปรียบเทียบกับร่างกายของบุคคลอื่นร่างกายมีสภาพมีาการสารสองไม่มีการทรงตัว ไม่ใช่เป็นแท่งทึบมันเป็นส่วนเป็นตอนมันเสื่อมง่ายมันสลายตัวง่ายนอกจากนั้นร่างกายยังเต็มด้วยความสปกปรกโสโครกหลอกหนังเข้าไปดิ้งเลือดออกซิบๆแล้วก็รังเกียจในร่างกายมีแ น, น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นตัดตายใส่ปอดดหน่าเกิดเมื่อตายแล้วมีสภาพเน่าอืดเหม็นตอนนี้ของเน่าของเหม็นมันมาจากไหนมาก่อนตายแล้วมาทีหลังตาย แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าเกลียดมันมีอยู่ก่อนตายแล้วอย่างน้าเลือดน้ําเหลืองน้ำหนองก็ดีมันมีร่างกายแล้วส่วนตา่างที่ตูกย่อยก็มีร่างกายแล้วแต่ในขณะที่ทรงตัวอยู่เพราะมีจิตเข้าควบคุมร่างกายยังไม่สลายตัวต่อเมื่อจิตสลายตัวไปแล้วไม่มีใครควบคุมธาตไฟดับธาตลมหยุดธากุไฟคือความอบอุ่นความร้อนในร่างกายดับ ตัวเย็นชืดควาท่านลมหยุดเพื่อเหลือธาตุดินกัะธาตุน้ำธาตุแดงก็ละลายดิเกิดความสกโโุกโปษ์โศกหลังไหลออกมาเพืรวมความร่างกายของเราก็ดีร่างกายคน อ, อื่นก็ดีมีแต่ความสกรกโปษ์โศกอย่างนิ้หน้าดังเกียดจะ น, นาไปยังกว่าจะเกิดนี้ปีายาหญ่ความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเกิดอย่างจริงจริงจังเป็นกําลังวารีธรรมะ อย่างนี้ถือว่าเข้าองค์ที่หนึ่งของพระอนาคามีต่อมาตอนตัดโทสะไอโทสะมันก็เหมือนกำลังเบาจังทีตอนนี้ตั้งราคาตั้งโทสามเหมือนกำลังเบามากเกิบจะไม่ตัดก็ได้วิธีตัดโทสะก็จับพร ม, มีหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกุนนายความของสารโมตุตตามีจิตอ่อนโยน ไม่อชา้าที่จะแย่ใครคนอื่นได้ดีพอจริง ด, ด้วยรุ่มเบคขาวางเฉยเมเขาเวิ่งซ้าไม่ซ้ําเติมความจริงก็ไม่ต้องทำอะไรมากแนะนําไำเฉยอะไตอนนี้ไม่ทําอะไรมากถ้าถึงสิ่ทาคามเมก็อนอนตีกรงได้แนละ้วอาณาคามีก็ อ, อยู่ในกระเป๋าต่อไปเมื่อใช้สิงสมาธิปัญญาสิงถ้าสิงแล้วทรงตัวแล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องหวง่วสมาธิ การนึกถึงว่าร่างกายสุกปกโสโครกนี่เป็นสมาธิการเห็นว่าความโกรธเป็นของมดีเป็นสมาธิการทรงอารมณ์กายยกรานปติครบท้นเป็นสมาธิการเห็นร่างกายสุกปกเป็นสมาธิเห็นว่าร่างกายน่าเกลียดโสโครกไม่น่าคบเป็นีิจสนายันและก็การทรงอารมณ์พรมิหารสีเป็นสมาธิเป็นสมถะภาวนาสมาธิคือสมถะภาวนา เรื่องการโกรธของมันดีเป็นทุกข์เป็นโทษจะนี้เป็นวิบัติสนาญาณเราไม่ต้องการความรักไม่ต้องการความโกรธอีกถ้ารมคิดนิดเดียวก็เวียนนาคาอีกแต่สิกขาคาเมียรเป็นอะไรไม่ยากต่อไปก็จะเป็นพระอรหรันต์เวลาหกนาทีก็ใช้ศีลศีลทรงตัวมาตั้งแต่ต้นไม่ต้องห่วงสมาธิถ้าภ่าย น, นาคาเมียร์แล้วสมาธิเข้มแข็ง ม, ม, มาก ต่อไปการเข้าถือราหัสนี้ใช้ปัญญาส่วนใหญ่สมาธิส่งตัวเล็กน้อยขอตัวเข้าไปตัดกิเลสตัวไปอนุสัยคำว่าวอนุสัยตัวเบาๆบางบเหมือนกรละอองตัดอีกหคือรูปราคะได้แก่รูปประชานอารูปราคะได้แก่รูปประชาน มาณนะการถือตัวถือตนอุตจักรลมพุ่งสร้างอาวิชาความหลงอวิชาทางความเข้าใจผิดต้องตัดรูปราคาโลรูปราคาต้องตัดให้ถามว่าศึกษารูประชานมาเกับแย่รูปรชานเก็บแย่ต้องตัดทิงทําไมความจริงไม่ได้ตัดทิ้งเป็นเพียงว่าเอาสติและปัญญาเข้าไปใช้ว่าการทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีนี่เป็นของดี เป็นกําลังช่วยปัญญาแต่ว่าถ้าหลงไหลฝ่ายฝั น, นแค่ฌานโลกีเราก็ไปพุนอบายภูมิเราจะไม่ยับยัางอยู่แค่นี้จะใช้กําลังคุณฌานเป็นช่วยปัญญาห้ามผัานกิเลสไม่หลงเพียงแค่ฌานูปประฌานแล้วลูประฌานในความจริงตอนนี้ไม่ต้องใช้มากเพราะผ่านสีา่างคมีเวลาไม่ใช่อะไรมากเลยเบาหทต่อไปมานะการถือตัวถือตน อย่างนี้ถ้าได้วิชาสองนวิชาสามหา้าในวิญญาหกยิง่ายมากถ้าไม่ได้ไปสุขัมอสโกก็คิดเพื่อตามความเป็นจรงิงว่าโลกนี้ใครมันดีกว่าใครคนในเกิดในโลกนี้ฐานะทุกฐานะทุกตระกูลใครดีกว่าใครตรงไหนถ้าพูดใ น, นทรัพย์สินอาจจะแตกต่างกันถ้าพูดถึงร่างกายล่ะทุกคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกัน แปรปรวนในถ้ำกลางเหมือนกันสลายตัวในที่สุดเหมือนกันมีพูดสภาวะความเกิดขึ้นความตายการทรงร่างกายอยู่ทุกคนมีอาการสารสองทุกคนร่างกายเต็มไปความสปกปรกโสโครกมีความแก่ทุกวันเหมือนกันหมดมีความป่วยไข้ามาสบายเหมือนกันมีความตายในที่สุดเหมือนกันรวมความว่าคนทุกคนในโลกไม่มีใครแตกต่างกันคำว่ารีกวกันชั่วกันไม่มีสําหรับร่างกาย ฐานะความเป็นอยู่ย่อมเป็นไปได้ตามบญวัฒนาบารมีแต่ในที่สุดทุกคนก็ตายไปกันเอาแค่นี้ถ้าเรถามว่เท่าสัตว์มันน่าอังเกียจไหมก็ต้องดูสัตว์มันมีอาการสารพิษสองไหมมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีน้ําเลือดจำเป็นน้ำหนองมไหมถ้ามันมีมันเราก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียตเพราะอานิ้ถ้ามันเกียจไทแล้วต่อไปก็อุทจฉอารมณ์ฟุ้งซานตอนนี้เป็นอาราธมัก เนี่ยเข้าอัตมร์นะอารมณ์โผใส่ก็อตมรกไม่มีอะไรมากเป็นเพียงคิดเฉยๆเพราะเป็นอาณาคาม์มีเต็มย่างเข้าอัตมร์บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติได้มันเหม็หนนะักถ้าเราจะยับยั้งแค่นี้เราก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าตายจากความเป็นคนนึกเทวดาพระพรหมย่าง แล้วก็ไปนิพานต่อไปอารมณ์อย่างนี้จะคิดขึ้นไม่เกินสองวินาทีเรือ่าอารมณ์กระสับกรสายอุทจาระกระสับกระสายจะคิดขึ้นนิดเดียวไม่ถูกตีกลับว่าถ้าลมหายใจยังออกเข้าออกจะมีอยู่อย่างไรเราต้องการอรหัสในชาตินี้อารมณ์คงชาติมีนิดเดียวแต่เราต้องถือว่ามีจะว่าไม่มีไม่ได้เกรงความว่าอุทจาระเป็นของแม่หนักในการตัดเมื่อท่านพร้อมแล้ว ต่อไปก็วิชชาอวิชานี้ไม่ยากการผ่านาคามีแล้วไม่มีอะไรหนะักก็มีนิดเดียวหักว่าเหนื่อยนิดพักก่อนเหนื่อยหน่อ ย, อยพักหน่อยแต่ว่าอย่างนี้ทัานว่าไว้นะแต่ความจริงไม่มีนักปฏิบัติจริงๆมาถึงนาคามีแล้วไม่มีมีแต่เขาบุ่งเอาพระราหกันก็ใช้รมปัญญามาตัดย่อๆสั้นๆมันก็ได้เลยคือเห็นว่าโลกมนุษย์เป็นทุกข์ไม่ต้องการอีก เทว ด, ดาหรือพอมีความสุขจริงในอยู่ไม่นานหมดวุสนามบา ร, รมีกลับมาทุกใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นอารมณ์ของทุกท่านก็ตั้งอยู่ในสังขารเปขยขายานท่านาคามียตั้งอยู่ในนิพิทายานคือความเบื่อหน่ายในโลกท่รหันตั้งในสังขารเปรขายานวางเฉยต่อโลกโลกอื่นไม่สําคัญคนอื่นไม่สำคัญงานตัวของทัานเอง มันจะแก่ท่านก็ไม่หนักใจมันจะป่วยท่านก็ไม่หนักใจมีนตายท่ก็ไม่หนักใจเพราะจะไปนิพพานครวงความบรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทท่านเวลาเหลืไว้ถึงหนึ่งนาทีเป็นว่าอริยสัตวันนี้ขอสรุปนะแต่ส่วนยอดควบรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทหลายให้ชนะสัญญาสามให้ได้คือหนึ่งสกายยะติติอย่าลืมว่าเราต้องมีความตายสองตัดวิธีกินฉายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ สามตัดศินลอตัดปรามาตมีส5นหกบโมสิบครบพลนและก็4ีมีพระนิพพานในอารมณ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านหลายทุกท่านจะพ้นจากทุกเบื้องต้นแล้วทุกคนจะเข้าถึงพระนิพพานในที่สุดตอนนี้ไปพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนหมดเวลาพอดีพอใต้ใจสมาทานศินสมาทานมันกำมาัน